รำวสการพระอาจารย์กศิลและพระกุณเจ้าที่เคารพแล้วก็อนุโมทนาบุญกับคุณแม่เล็กแล้วก็ผู้ที่ดูแลอาสมมาตานะรวมทั้งผู้ที่เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมนะคุณแม่ชีที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่อาสมมาตานี้ Sabes, ผมก็คุณไม่เลกก็เชิญไว้ตั <t <t <t <t ้งเมื uh ่อปดกลายนุ uh ้มให้มาช่วยผู้ธรรมะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักปฏิบัติที่อาสมมาตาหน่อยก็ยินดีนะเตรียมตัวไว้หนึ่งปีแต่พูดเดียวเดียวเรื่องการที่จะ ให้เงี้ยคิดให้กำลังใจหรือวิธีการปฏิบัติกับจริยธรรมเนี่ยก็ยินดีนะเป็นใจมากถ้าใครเชิญมกักจะไม่ค่อยปฏิเสธนะเพราะว่ากลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนมันถ้วยเหมือนหม้อที่หงายเอาไว้แล้วพร้อมที่จะรับเนี่ยน้ำแห่งธรรมะลงไปสู่จิตสู่ใจถ้า เชินไปพูดที่อื่นที่ไม่ใช่นักปฏิบัติก็พูดไม่ค่อยได้มันต้องไปปลูกศรัทธาอีกนา น, นต้องเขาเรียกอะไรขี่ม้าเรียบค่ายไม่เ้าค่าสตริงจะหมดชั่วโมงอยู่แล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องเล ย, เยปลูกคนที่ยังไม่ตื่นยังไม่ศรัทธามาฟังนี่มันหนักีเวลาแล้วกําลังมันเหลือน้อย ล, ละพูดคุยนักปฏิบัติเนี่ยมันง่ายไม่ต้องปลูกศรัทธาเลย พราทุกคนนีมีพื้นฐานของศรัทธาอยู่แล้วถ้าไม่ศรัทธาคงจะไม่มานั่งที่นี่แล้วเนาะ <c oughs> เนี่ยมาเพราะว่าศรัทธาในทางธรรมะหรือว่าธรรมะปฏิบัติจึงไม่ใครพูดเรื่องศรัทธาจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติการทําจิตทําใจทําจิตให้ไม่ทุกข์ทำชีวิตให้มีความสุขนั ย, นยามท้อแท้ก็มีแรงบันดาลใจ บางสิ่งบางอย่างเราจะได้เอาไปใช้ได้กับตัวเองได้ทุกเวลาด้วยไม่จะเป็นต้องมีร่างกายอย่างผมถึงจะใช้ได้ไม่จำเป็นคนปกติเนี่ยหยิบใช้ได้ง่ายนักถ้าเรามีวิธีคิดมีกำลังใจเราก็จะทำสิ่งเนี้ยให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองได้มีคนเคยถามว่าเรา มาปฏิบัติธรรมกันทําไมมาปฏิบัติธรรมกันทําไมในเมื่อเราก็ตักบาตรหน้าบ้านทําบุญตักบาตรที่วัดเป็นประจําะไปฟังพระเทศพระสอนไปถือศีลไม่ทําความชั่วมันก็ดีอยู่แล้วแต่ก่อนก็เคยคิดนะแบบนี้ดีอยู่แล้วการให้ทานรักษาศีลนี่ก็ดีไปแล้วเราไม่ทําความชั่วแล้ว มันก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่การให้ทานการรักษาศีลเนี่ยมันมันทำใจให้เราปกติไม่โลภ ไ, ไม่โกรธไม่หลงได้ไหม <c oughs> ทานศีลเนี่ยมันทำให้เราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือเปล่าบันทีเราให้ทานไม่เป็นเราก็เกิดความโลภบทีเราก็เกิดความโกรธเราให้ทานมากๆเรามีศีลแต่เราก็ยังใจยังโกรธอยู่ ยอยู่ที่เนี่ยถือศีลอะไรครับศีลห้าหรือศีลแปดแปดนี่โกรธไหม <c oughs> <c oughs> มีงุญญ่นยีดบ้างไหมเนี่ยศีลช่วยไม่ได้ทานจิตใจศีลช่วยได้เฉพาะกายวาจาเวลาโกดก็ไม่พูดออกมาไม่ทําร้ายใครช่วยแค่กายวาจากายวาจานี่เป็นปกติแต่ใจเนี่ยมันไม่ปกตินะใจมันยังยังพิการอยู่ ยังยินดียินไายพอใจไม่พอใ จ, อ, อ, ใจ อ, อาหารมื้อนี้อร่อยมื้อนี้ไม่อร่อยซะแล้วนอนก็ไม่ค่อยหลับอากาศร้อนปฏิบัติมากอ้วนนอนจิตมันก็งีต่างเง้ยนะศีลทานช่วยไม่ได้เพราะต้นต่อของความทุกข์มันอยู่ที่จิตใจทานกับศีลก็ได้แค่บุญถ้าบุญสูงสุดก็ต้องเป็นการภาวนาใหม่การภาวนาใหม่การทําจิตให้เจริญ การฝึกฝนจิตใจนี่แหละการภาวนาเกิดขึ้นเฉพาะทางจิตนี่แหละอันนี้เอาไว้เผชิญหน้ากับกิเลสความโลภความโกรธความหลงอัตตาตัวตนทั้งหลาย<ม>ก็มาตักจิตจักใจเราทั้งนั้นแหละตัวตนไม่เกิดที่ร่างกายเลย <sie reflections> ใช่ไหมเกิดขึ้นที่จิตใจร่างกายมันไม่รู้อะไรหรอกมันไม่รู้เราเป็นตัวอะไรจักใจเราไปใส่ชื่อเป็นชายเป็นหญิงเป็นเราเราต้องเก่งเราต้องดีเราต้องดัง เราราบวชนะเขาไม่ได้บวชเราต้องดีกว่าเขาอะไรอย่างนี้นะเหลือก็จิตใจทั้งนั้นละแล้วก็นํำมาความทุกข์มาสู่จิตสุ่ใจเราดังการภาวนาเนี่ยเป็นบุญสูงสุดเลยเป็นกุศลธรรมนะกุศลกับบุญนี่ต่างกันนะบุญนี่ก็แค่มีความสุขแต่กุศลเนี่ยหมายถึงการตัดตัดเศษซึ่งกิเลสเนี่ยเพราะกิเลสเนี่ยเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งปวง ถ้จิตเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมั่นกิเลสมันเกิดขึ้นไม่ได้ของจิตดวงนี้ต้องอาศัยการภาวนาเป็นบุญสูงสุดเนี่ยที่เรามาร่วมกันปฏิบัตินี่แหละก็คือเรามาภาวนามาคว้าอาบุญสูงสุดยอดบุญเหนือทุกก่อนที่เราจะหมดลมหายใจก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วเนีที่นี่แหละนี่ยเป็น เป็นแหล่งที่เราจะผลิตปติผลิปตปัญญาเอาชนะความทุกข์ที่เกิดจากตัางนานาจิตใจเราได้เพราะนั้นเอ่ยที่คำถามบอกว่าทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมด้วยมันไม่พอหรอกที่ตอบว่าให้ฐานรักษาศีล น, นั่นคือปฏิบัติเื่นกันแต่ก็ในระดับหนึ่งที่ยังแก้ปัญหาโลภโกรธหลงในใจเราไม่ได้เราอาศัยกุศลธรรมเป็นการภาวนาใหม่จึงจะเป็นยอดบุญเหนือทุกข์ เนี่ยที่เรามารวมกลุ่มกันปฏิบัติอย่างเนี้ยก็เพื่อมาฝึกสติมาเจริญสติเจสติเพื่อให้เกิดปัญญารู้จักตัวเราเองที่แท้จริงคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองแล้วความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะไม่รู้จักตัวเองจึงยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆถ้ารู้จักตัวเองแล้วจะเห็นว่าตัวเรามันไม่มีหรอก มันมีแต่ธาตุขันซึ่งมันไม่บอกว่าเป็นตัวใครมันก็เป็นตัวของธาตุของขันนะแต่จิตเราคิดตู่ว่าโอ้นี่ของเราเราก็เลยมาฝึกให้เกิดปัญญาให้รู้ตรงนี้ซะบอกมันไม่ใช่ของเราจริงๆริมเป็นของเราจริงๆถ้าเป็นของเราไหลแล้วก็เมื่อเราแก่เมื่อร่างกายแก่ใจมันก็แก่เมื่อร่างกายเจ็บใจมันก็เจ็บเมื่อร่างกายตายใจก็ต้องตาย เมื่อกายไม่สวยใจก็ทุกข์นั่นเพราะของเราแต่จะไม่ใช่ของเราเนียเรารู้จแจ้งว่ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่เราก็กายจะแก่ก็เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรากายจะเจ็บก็เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราก็ดูแลรักษากันไปกายจะตายก็เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราก็ทำศพให้คนทั้งหลังทำศพไปแล้วก็ทำหน้าที่ตายอย่างดีที่สุดให้คนหลังให้จัดการเราจบลงที่ทาหน้าที่ตาย ที่เหลือว่าจาด ก, การกันไปจะไปเาาไปฝังเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยมันมันปฏิเสธเลยนะว่าไม่ใช่เราแต่ตอนนี้ยังอาศัยเราอยู่ก็ต้องพามันไปทำฝ่ายกุศลพามันไปปฏิบัติธรรมให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราซะ <Yeah. S 1> เราจะได้ตายซะก่อนตายตายจากความเป็นเราซะก่อนที่ถูกธรรมชาติมันยึด <laughs> ยึดให้ตายไปด้วยความเป็นเราเนี่ย มีญาติธรรมมาพูดคุยนะผู้ปกคงอง เ, เรียนมาหาป ร, ริญญาก็คุยปูเจ้ากลุยกับพระคุณเจ้าคุยกับนักปฏิบัติแล้วคุยกับทุกๆคนที่คุยเรื่องชีวิตเรื่องความทุกข์เรื่องความสุขก็ยินดีถ้าก็ถามว่าผมเนี่ยทําไมจึงต้องมาสนใจธรรมะด้วยแล้วทําไมต้องมาสนใจ การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวในหลวงพ่อเทียนด้วยแล้วทําไมต้องมีหลวงพ่อมเขียนเป็นครูบาอาจารย์ผมก็เลยก็พูดคุยกันบทที่จริงผมไม่ได้สนใจหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อมเขียนมาก่อนหรอกนะไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะมาก่อนที่ซ้าไปแต่ว่าผมมีปัญหาชีวิตเรามีปัญหาชีวิตเรามีความทุกข์เย แต่ก่อนก็มีคนที่ร่างกายเป็นปกติมาจะต้องอายุ24ปีชีวิตก็ประสบผลสำเร็จในส่วนหนึ่งในทางโลกทางโลกโลกก็ประสบสำเร็จก็เรียนจบ ก, ก็ได้ทางานสมใจนึกทำ <c oughs> ได้สมใจนึกเมื่อเรามีความตั้งใจมันก็ไม่จบแค่นั้นนะเราจะมีความหวังอีกมากมายที่กล้าไปไปนี้หวังแล้วก็มองไกล แล้วก็จะพยายามไปถึงจุดนั้นด้วยเนี่ยแต่พอเราไปประสบอุบัตนเหตุนั่นเองอกระโดดแล้วลงไปพอแคบโลขึ้นมาความหวังในชีวิตทุกอย่างก็จบลงเลยทุกอย่างมันจบลงตัวที่ขึ้นมาจากน้ำได้ก็กจบลงเนี่ยกรทั้งความหวังต่างๆมันตัดจะซึ่งความหวังความพิการทางกายตัดจะซึ่งความหวังจิตมันก็ มันก็เป็นทุกข์เพราะมันหวังอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นทุกข์เนาะมันเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตนี่เราจะมาทํำยังไงดีเนาะก็หาทางที่ทํายังไงที่จะพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากตัวเราให้ได้ไม่ได้สนใจคนอื่นหรอกนะไม่ได้มองคนอื่นไม่ไมองสังเกตเวลาคนมีความทุกข์เนี่ยมันจะมองแต่ตัวเองมันจะปิดทุกอย่างเลยเธออย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับเราแม้แต่เขาจะแนะนําสิ่งดีๆนะเราก็จะมองว่า ก็ไม่เป็นเธอบ้างก็รู้ ไ, ม, ไม่ได้เป็นเธอบ้างเธอก็พูดได้ดินี่เราปิดเลยนะเราไม่รับฟังในสิ่งที่เขาแนะนํานะแต่กลับไปบอกเขาว่าใครไม่เป็นบ้างไม่รู้หรอกเคยได้ยินไหมเนี่ยตรงนี้ยมันปิดเสียซึ่งโอกาสของตัวเองเลยนะ่ะตอนแรกเราก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่เราไม่พูดเราฟังว่าฟังด้วยความําคาญก็คือําคาญน่ะก็มันลำคาญนะจริงๆนะในความที่จิตมันไม่พร้อมเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้หรอก เวลาจิตไม่พร้อมทำอะไรไม่ได้แม้จะคิดในแง่บวกมันก็ไม่บวกนะยิ่งคิดยิ่งมันจะเป็นบวกแต่มันหมุนื่องบวกมันหมุนดูไม่ออกเป็นบวกจิตมันไม่พร้อมที่จะมองในแง่บวกจิตที่ไม่พร้อมที่จะเป็นกุศลนะจิตที่ไม่เป็นกุศลนะมันก็มองเงนี้มองในตัวเองไม่ยอมเปิดอะไรแล้วนานวันเข้าเนี่ยมันก็ยิ่งจะปิดปิดปิดอีพิชาก็ขาดตัวตายเพราะว่ามันปิดซึ่ง โอกาสของตัวเองหมดเลยโอกาสมีขนาดนั้นที่เพียงแค่ฟังรับฟังไว้ทำไม่ได้ก็ฟังเอาไว้โอกาสมีตอนท่านตอนนั้นเองแล้วเราก็จะได้เงี่ยคิดที่ดึงจิต ด, ดึงใจออกจากอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือเป็นทุกข์เวลาเราฟังอะไรเนี่ยจิตตอนนั้นเนี่ยถ้าฟังสิ่งที่มีสาระเป็นกุศลแล้วก็จิตเราจะดีอีสภาก็ไม่แน่อาจจะลาคาญก็ได้แต่จิต ด, ดีนี่มันก็คิดดีใชม่มันดึงออกมาจาก ดึงจิตออกมาจากอารมณ์ที่เราเคยค้างคางเอาไว้เราลืมเมื่อวานไปสนิทเลยมันเกิดอะไรค้างขาดใจเพราะจิตมันอยู่กับปัจจุบันมันการดึงจิตการรับฟังในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันช่วยดึงจิตให้ออกจากอารมณ์ที่มันบีบคั้นชั่วคราวก็ยังดีกว่าที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ทำไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ยังงี้แย่ยัยยงงี้แย่ยเปิดใจเราฟังแต่ผมก็ฟังนะแต่ฟังแล้วเราก็ ฟังแล้วก็คิดคิดว่าเราคงไม่ได้หรอกเราพิการทํายัางนง้นได้ยังไงเรามีอะไรก็จํากัดทุกๆอย่างทําไม่ได้ไม่ได้ก็คิดอยู่เงินมันก็เบื่อเนื่ความคิดของตัวเองอะ <c oughs> ขนาดในความตองผมในขนาดเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตเข้ามาติดต่อเขาเจอผมพิการเนี่ยเขาไม่รับประกันชีวิตผมเลยโอ้เราคนทั่วไปก็รับประกันหมดแต่คนพิการเขาไม่รับประกันไม่รับประกัน แล้วไปอะไรน้อที่จะประกันชีวิตเราได้ก็หาทานผมเลยคุยกับคนนั้นว่าขั้นแรกที่ผมสนใจธรรมะเนี่ยผมไม่ได้สนใจครูบาอาจารย์ผมสนใจหลักธรรมะในพุทธศาสนาประเด็นค่ะเป็นต้นตอนที่เราสนใจเกิดจากความทุกข์แล้วก็ไปสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยเพาะหลักธรรมหลักธรรมเนี่ยสอนแต่เรื่อง ความทุกข์เรื่องของชีวิตเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาชีวิตออธรรมะสอ น, นเรื่องการแก้ปัญหาชีวิตธรรมะไม่ได้สอนการหมุนเกลียวน็อตเข้าไปถ้าสอนให้คลาอยู่เลยสอนให้แก้ปัญหาชีวิตและมีวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยตามหลักธรรมะเนี่ยมันสนใจตรงนี้มันเหมือนอย่างคนที่เป็นโรคและไปเจอยาดีข้ออาจจะไม่เจอหมอดีคือพระพุทธเจ้าเราไม่ทัาท่าน แต่เราเจอยาของท่านกันแล้วกันเอายามาต้มมาปุงปิ้งดีนะยามันต้องเจอยาดีหมอดีเจอหมอดีเราไม่มีสิทธิ์ได้เจอแล้วเจอยาดีล้วนี่แหละมันจะปรุงยานี่ยนะรักษาโรคของเราคือโรคความทุกข์อะโรคความทุกข์นี่มันต้องธรรมะโอสถธรรมะโอสถเนี่ยก็เลยหันมาสนใจธรรมะโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรื่องการภาวนาเนี่ยนะ วิปัสสนากรรมาฐานแล้วท่านฟังแล้วก็ยังมึดตื่มันอะไรกันน้อยปัสสนากรรมาฐานแล้วก็เออหรือสติปัฏฐานมีสติคําาเกี่ยวข้องนะสติปัฏฐานมันก็ยังเป็นดุน้นเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เข้าใจอ่านเท่าไรก็ไม่เข้าใจเพราะผมไม่มีครูบาอาจารย์อย่างว่าคุณเจ้ามันนั่งอย่างนี้ผมนอนอยู่ที่บ้านไม่มีครูบาอาจารย์เลย น, ะน่ะมีพ่อกับแม่แล้วก็ แมวตัวสุนัขปีกอะไงมบบนีก็ได้ะะอาศัยพวกนี้เป็นครูบาอาจารย์ดูอยู่เรื่อยแอ บ, บดูแมวแอ บ, บดูสุนัขแอ บ, บดูไก่ดูคิดอะไรเนาะดูมันคิดอะไระแต่ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรนะแต่รู้ว่าไก่คิดอะไรเนะมันกำลังกินข้าวเนี่ยแมวที่มันนอนหลับตามคิดอะไรเนาะดูมันคิดแต่ไม่ดูตัวเองว่าเราคิดอะไรเราไม่มีครูบาอาจารย์แเราอ่านหนังสือเราเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ านานๆวันเขก็มียติธรรมนี่แหละกลุ่มของยติธรรมเป็นกะะนาลยนริทมากเล ย, เนยแนะนําเรื่องธรรมะแนะนําเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยคุณ ม, มนวิพาเนี่ยใครอยู่กลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมบ้างคุณ ม, มนวิพาเนี่ยเป็นกะะนาลยนริที่เขียนจดหมายมาพูดคุยแม้ท่านจะไม่สอนธรรมะแต่ท่านก็แนะนํามีครูบาอาจารย์ที่แก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้นะมีวิธีการเป็นบัตรได้นะ เราก็ชอบอยู่ล้เรื่องวิธีนี้ยลวงพ่อเทียนอ่านหนังสือหลวงพเทียนแล้วก็สนใจหลวงพเทียนบอกว่าไงไหมคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความคิดคนเราเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นไม่เห็นความคิดพอไม่เห็นความคิดเนี่ยเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็หลงเข้าอยู่ในความคิดเลยเข้าเป็นเกลียวความคิดเลยเอ า, ค ว, ค, เวเอเาความคิดเป็นตัวเราของเราแล้วความคิดมันพาไปไหนอ่ะ มันก็พาไปอยากแล้วคิดให้มันอยากมันก็เดือบันอยากคิดมันก็ดินน้นรนกวนกวาไม่ได้สมอยากมันก็คิดเป็นความกโกรธมันผิดหวังก็ต้องโกรธทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมต้องเป็นเรามันก็เข้าไปเกลี้ยงความกโรกรธจากความอยากมาเป็นความกโกรธแล้วก็หลงมัวเมาอยู่ในความคิดคิดก็เหนื่อยคือก็นอนไม่หลับเนี่ยเพราะความคิดเอาความคิดเป็นสิ่งนําทางชีวิต เด่๋ยนี้เป็นอย่างนั้นไหมใช้ความคิดเป็นสิ่งนําทางชีวิตและความคิดมันมาจากไหนละ่ะมันมาจากความรู้สึกของสัญญานตัวเราการกินการนอนการเสพการการกลัวภัยคิดมาจากสัญญาณพวกนี้มันก็บุบบาาอยู่กับพวกนี้มันออกจากอารมณ์ของสัญญานหรืออากมาความคิดไม่ได้ความคิดมันก็พากิเลสราชาโทสะโมหะมาทําให้ใจเรารุ่มร้อน เนี่ยมันเป็นผู้นําชีวิตเราตลอดเลยเนี่ยระยะที่ที่เรามีชีวิตอยู่จะเป็นใครก็ตามหลวงพ่อเทียก็บอกว่าถ้าจะเห็นความคิดต้องเจริญสติเมื่อจเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะออกมาจากความคิด <c oughs> เพราะสติกับความคิดเนี่ยมันคนละคนละด้านกันถ้ามีสติความคิดไม่เกิดถ้ามีความคิดสติไม่เกิดอ่ะ <c oughs> เป็นหน้ามือกับหลังมือซึ่งมันเกิดพร้อมกันไม่ได้เนี่ยมันก็ถ้าความคิดเกิดก่อนสติมาทันความคิดมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถ้าความคิดเกิดก่อนสติยังไม่มีกําลังความคิดก็ลากสติไปเหมือนแมวเหมือนหนูลากแมวโอ้เราชอบบทที่หลวงเที้ยบอกว่าคนเราเป็นทุพเพราหมายความคิดเป็นตรงกับเราเราไม่เคยคิดเรื่องร่างกายพิการเท่าไหร่เราคิดแต่เรื่องว่าเราจะทํายังไง ออกนอกความพิการไปหมดลืมเรื่องร่างกายที่เป็นพิการแต่ไปคว้าความทุกข์แบบใหม่อยากไปอยากดูอยากเที่ยวอยากสนุกนอึดอัดไม่พอใจอยู่อย่างนั้นอนะ่ะวนเวียนช่วเนยหลังกระออนี่คือปัญหาคนเหลาซึ่งพระเตียนกี้ลงตรงนี้เลยแล้วบอกวิธีการพร้อมเลยให้เจริญสติซึ่งถ้าเราอ่านตามหลักธรรมแล้วเนี่ยสติปัญฐาน4เนี่ย ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมด้วยสติไปตั้งดูอยู่เนี่ยมันก็มาจากการรู้กายรู้ใจด้วยสายสตินั้นแหละหลวงพ่อเทียนย่อยให้เรามาได้วิธีลัดที่เรียบง่ายเนี่ยแล้วก็อ๋อตรงนี้เองนะที่เราจะออกจากความทุกข์ได้เราปฏิบัติแนวสติปัฏฐานอยที่พุทธเจ้าบอกเราทําให้ถนัดเพราเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ใช้แนวแบบลูกทุ่งหลวงพ่อเทียนนี่แหละลูกทุ่งหลวงพ่อเทียน ใจคุท่านจะเสียเลยคือมันง่ายสำหรับตัวเราอิริยาบทใดก็ทําได้นอนก็ทําได้นั่งก็ทําได้ยืนเดินเรายืนเดินไม่ได้เราก็ยังนอนยังนั่งทําได้เหมือนกันในทุกเอียบบทที่เรามีการเคลื่อนไหวเออไอเรามันมีการเคลื่อนไหวอยู่น้อยมันก็ดีไปอย่างนะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้หรอกเคลื่อนไหวข้างบนได้ได้อยู่โอ้เคลื่อนไหวได้น้อยมันก็มีการรับผิดชอบเด่น้อยหน่อย คนเคลนไหวมากนี่มันประมาจ ก, ก็ได้นะอาจจะโอ้ยเราก็เดินก็ได้เราไปยืนก็ได้เราไปทําุูอนี้ก็ได้แต่ผลที่มันไม่ได้มันทําได้แค่นี้ก็ต้องเมื่อเรามีเสื้อผ้าหลายตัวนะแต่มันต้องเลือกคนนั้นจะเหมาะคนมีแค่สองชุดเนี่ยสบายเลยคว้าต้องชุดนี้ชุดเดียวีชุดนี้ไม่แห้งอิเลียบทจํากัดเมื่อก่อนผมไม่ชอบคิดว่าผงจะทำอย่างเขาไม่ได้แต่การจํากัดบางอย่าง่ยมันดีนะ จำ ก, กัด บ, บางอย่างนี้มันจะได้มีความคิดน้อยลงจะได้มาโฟกัสลงตรงนี้หนึ่งเดียวมันง่ายต่อการฝึกตนเองนี่ไม่ได้มองในแง่ดีนะและมันทําได้ด้วยมันทําแล้วดีซะด้วยกับการที่ใช้ส่วนที่มันจํากัดในการปฏิบททัติธรรมการเจรสตินเนี่ยเป็นการปฏิบททัติธรรมตามหลักธรรมเนี่ยมันเกื้อกูลกับคนทุกคนเลยจะเป็นคนสูงอายุเคลื่อนไหวไม่ได้นอนแบบอยู่บนเตียง ถ้ามีสติอยู่เนี่ยจริ่สติได้ทั้งนั้นเลยเราก็เห็นแล้วนี่แหละเรามีธรรมโอสถเป็นเครื่องนําทางชีวิตละตอนนี้เราจะไม่ใช่ความคิดนําทางชีวิตแล้วเรามีเครื่องนําทางชีวิตแล้วมีสติแล้วก็มีปัญญาอาจจะพาเรือชีวิตเราปลอดภัยได้ออกจากความทุกข์ได้ก็เลยฝึกเนี่ยฝึกสติเนี่ยทำแแบบพวกเรานี่ยละ่ะเพียงแต่เปลี่ยนสถานภาพนิดนึงเนี่ย ผมนอนทํานั่งทำเพราะผมนั่งได้ไม่นานก็นอนไม่ได้นอนหลักนอนฝึกสตินอน น, นอนตลิกมือเล่นนี้ก็เคลื่อนไหวได้แค่นี้ก็ใช้แค่นี้ก็ดีไปอย่างจะได้ไม่ตม้องมีอะไรเลือกมากว่ามันยอะจะทำบางคนถามเอ้เรายกมือเคลื่อนไหวแล้วก็จิตเราก็คิดด้วยแล้วเสียงก็ได้ยินเ อ, อแล้วลมมันก็พัดมาถูกตัวเราเราจะดูอะไรโอ้มีเรื่องต้องดูมากแต่เรามีเรื่องเดียว มีแค่หนึ่งเดียวมันก็ง่ายนะหนึ่งเดียวมันก็ง่ายนะท่านว่าจากหนึ่งนี่มันมันจุ้งนะตีกันแรงละหนึ่งเดียวก็ทำทำด้วยความเพียรด้วยความอดทนเพราอมีเดิมพันของความไม่ทุกเป็นเดิมพันเอาไว้หนึ่งเดียวไม่ต้องการความสุขเอาความไม่ทุกอย่างเดียวไอ้ความไม่ทุกเนี่ยมันมีความหมายมากทำให้เราพบความสุขที่แท้จริงได้ในความไม่ทุกนี่เลยก็ใส่ความทุก เพื่อจะดับทุกข์แล้วมันก็พ้นได้จริงๆนะอาการของเราที่มั น, นทุกข์มากๆเนี่ยมันออกมาดูจากสิ่ ง, งนี้ได้เลยเนี่ยเพราะนั้นแนวรลวงว่าเทียนเนี่ยทำในเรื่องให้มีสติให้จลเติให้สติมันตื่นต่ละรกก็ไม่เข้าใจคำนี้ก็ได้หลวงพ่อํำเขียนท่านแนะนำให้ให้ฝึกให้รู้เล่น ให้รู้สึกตัวแบบเล่นๆคือจะไปบังคับอย่าไปกดขม่มอย่าไปเอาจริงเอาจังจนเกินไปต่างหน้าต่างตาหน้าดำค้ามเพลงไม่ใช่ให้ทําแบบผ่อนคลายแบบ ส, สบายๆให้เริ่มต้นจากจิตที่มันดีก่อนอย่าไปเริ่มจากบังคับจิตจนกระทั่งจิตไม่เป็นจิตมันก็เครียดเมื่อไหร่ก็ทำเล่นๆนะนอนพลิกมือเล่นๆรู้สึกตัวไปนะเวลามันคิดก็อย่าไปตามความคิดนะเวลามันคิดอย่าไปตามความคิดนะ ให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกเอากายนี้เป็นฐานก่อน <G ül> ให้จิตมันตื่นเนี่ยโอ้โหเราได้เทคนิคของหลวงพ่อคำเขียนอะไร่งเงี้ยก็นอนพลิกมือแนวลงมาเตี้ยน่นทําให้จิตมันตื่นก่อนเจริญสติเพื่อให้จิตมันตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากความหลับไหลที่มันเป็นนิวรครอบงาอยู่ ถ้ามีสติแล้วมันมันทะลุทะลุความง่วงออกมาดูความง่วงหัวล่าย่ อ, ยอความง่วงที่ซ้ําไปและจิตมันก็จะไม่ง่วงมันมันทิ้งความง่วงไว้ข้างหลังเนี่ยการที่อุบอาจารย์บอกว่าให้เรามารู้กายมากๆมีประโยชน์มากให้รู้แบบรู้เฉยๆรู้แบบสบายๆรู้แบบไม่ว่าอะไรรู้แบบบางวางรู้กา ย, ยานเนี่ยเนี่ยกายเวลาเคลื่อนไหวใจก็รู้ รลางการเคลื่อนไหวใจก็รู้รู้เป็นขณะขณะ네เคลื่อนไหวเป็นจังหวะจังหวะรู้เป็นขณะขณะให้รู้รู้อย่างนั้นอ่พะพอพลิกมือรู้สึกมันก็จบอยู่แล้วเป็นผลอยู่แล้วในตัวพอยกมือรู้สึกมันก็จบอยู่แล้วในตัวจบลงทีง่ความรู้สึกเยอะแยะเลยถ้ารู้สึกเมื่อไหรจบตรงนั้นแล้วก็รู้ใหม่จบแล้วก็รู้ใหม่นะวันหนึ่งทําได้ตั้งหลายรู้เคลื่อนไหวครั้งหนึ่งจิตรู้ กคลืนไกายเคลื่อนไหวั้นห น, ห, หนึ่งจิตรู้เนี่ยมันจบลงที่ความรู้สึกตรงนี้แหละเป็นขณะขณะไปเดี๋ยวต่อไปมันก็จะรู้รู้รอบได้พอรู้ทุกครั้งเนี่ยพอรู้บ่อยๆต่อเนื่องเนี่ยมันจะตื่นคาว่าตื่นเนี่ยมันออกมาจากกายไม่ได้ออกเป็นรูปธรรมคือออกมาดูออกมาดูตื่นออกเป็นผู้ดูกายเมื่อก่อนเราไม่เจริญสติเนี่ยกายคือเราเป็นตัวตนของเราใช่ไหม พอรู้ต่อเนื่องปั๊บจิตมันมีกําลังเพราะสติเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างพลังเป็นชาติพลังสติชา์ิพลังจิตที่มันเตือนออกมาจากการเป็นผู้ดูกายเนี่ยผู้ดูเนี่ยหลวงพ่เอเขียานนั่นนะบอกว่าเี่ยจับจุดผู้ดูไว้อย่าเข้าไปเป็นกับมันมันก็ถอยห่างออมาจากกายเลยนะมันเตือนออกมาลนะคำว่าตื่นเนี่ยคือต้องออกมาเป็นผู้ดูไม่ได้ออกมานั่งแบบนี้นะคืออยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นคนละส่วนเนี่ยก็เยเตื่นรู้ดูอยู่ กายเคลื่อนไหวจีก็เป็นผู้ดูจ้ะตืมาดูตอนนี้เวลากายป่วยใจมันก็ไม่ป่วยแล้วเวลากายทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์แล้วก็ช่วยเหลือกายไปนะมาเป็นผู้ดูแตแล้วเนี่ยมันเริ่มปลอบใจนะพอดูกายนี่ก็อาจจะเห็นกายเป็นรูปก็ได้เป็นรูปรูปก็คืออาการที่มันนั่งตั้งอยู่เนี่ยเป็นรูปอย่างอย่างอย่างพระคุณเจ้าเร า, เ ร, าเรียกว่ารูป มีวันนี้มีมีพระกุญจ้ามันนั่งอยู่สองรูปไ <c oughs> ม่ใช่สององค์สององค์เป็นรูลูก <c oughs> อันนี้คือรูปรูปประกอบด้วยธาตุดินน้ไปุมนั่นคือรูปโอ้เราก็คือรูปไม่มีชื่ออะไรมองเห็นกลายเป็นรูปมันก็ออกมาจากความดิดม้นรนว่ารูปเป็นเราซะใช่ไหมเริ่มละเริ่มถอนถอนส ก, กาเยติว่ารูปเป็นเราเห็นว่ามันไม่ใช่เรา รูปมันไม่รู้อะไรหรอกแต่ที่รู้คือจิตหรือนามเนี่ยมันไปรูป้ เ, เรียกแยกรูปแยกนามแยากกายแยกจิตต้องมีสติที่ต่อเนื่องแล้วก็ตั้งมั่นด้วยสมาธิแล้วก็มีความรู้สึกตัวที่เป็นปกติ ก, กลางๆซะก่อนมันจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันรูปกับนามก็เป็นคนละส่วนนะเนี่ยสติปัฏฐานหนึ่งเห็นละเห็นรูปเห็นกายแล้วรูปมันบอกอะไร มันมีแต่การเคลื่อนไหวแล้วก็มีทุกรูปเนี่ยมันมีแต่ทุกมีแต่โรคนะมีรูปใครที่ไม่มีทุกไม่มีโรคมักมันมีแต่ทุกมีแต่โรคมันบอกนั่นคือเวทนาที่มันออกมาจากออกมาจากกายออกมาจากรูปนี่แหละมันจะมีเวทนาปวดหนักปวดเบาหิวข้าวเวลาให้มันทานแล้วทำหน้าททานไล้วระทิมแล้วแต่มันก็หิวอีก เดี๋ยวนี้เย็นๆก็จะหิวอีกรูปมันบอกมันจะหิวมันจะหิวอยู่บ้านเคยทานใกล้ตู้เย็นเดี๋ยวนี้ตู้เย็นก็มีโรงน้ำแข็งก็ม่มีนะอะไรเงี้ยมมันก็หิวคอแห้งนี่อาการของลูกที่มันต้องการน้ำปวดหนกักปวดเบาทานอาหารน้อยก็หิวทานอาหารมากก็อิ่มหลังจากอิ่มก็จะง่วงอะไรอย่างเงี้ยทานมากไปก็ต้องปวดท้องต้อเข้าออกน้ำ เขาจะบอกว่าคนที่กินอิ่มนอนหลับขับสะดวกในวันนู้มีความสุขท่าชีวิตพื้นฐานชีวิตแค่ก oh, ินอิ่มนอนหลับข so ับสะดวกขับถายสะดวกเโอ้พอแล้วพื้นฐานเรื่องนี in ้ไปเอาอะไรมากมายบางทีม so ันก็อยากจะทายยังม well, ีโรคภัยก็เจ็บมากมายแต่ละคนเนี่ยมีคนละหลายโรควันละหลายโรคไม่ใช่เป็นวันละโรควันละหลายโรคก็อยู่ในตัวเรา มันมีอะไรมีปวดแข้งปวดขาปวดหลังเนี่ยบางคนเดินเหินไม่ค่อยสะดวกนะมันปวดมันเมื่อยจากอายุมากแล้วจะ ก, ก้าวจะเดินมันก็ต้องมีการวอร์มเครื่องนานหน่อยเวลานั่งในรถจะลุกนีก็ต้องรอจังหวะ น, นิดนึงแล้วก็เอาก้นขึ้นก่อนอะไรเนี่ยวันจะขึ้นก่อนนานหน่อยขึ้นก่อนแล้วก็นนแล้วก็บ่นว่าเออไอ้เข่ามันทรยศ ที่จริงเขาไม่ทรยศหรอกเขาบอกเราตรงๆรูปร่างกายเนี่ยบอกเราตรงๆว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกตรงๆนะเขามีสัญญาณเตือนภัยว่ามันไม่ไหวเลยมีอาการปวดบีบพันเขาไม่ได้ทรยศเราหรอกนะเขามันบอกอะไรตรงๆมันซื่อสัตย์ต่อเรามันปวดมันก็บอกว่าปวดมันเมื่อยมันก็บอกว่าเมื่อย เนี่ยเขาเกวเป็นอนิจจังทุกขังนาตามันก็อยู่ตรงที่ตัวเราเนี่ยแหละอย่าไปหาตายรักที่ไหนหรอกก็ที่เข่าที่หลังน่นเนี่ยเยก็จงภูมิใจเถิดที่เราปวดเขา่าปวดหลังแล้วยังมีเข่ามีหลังให้ปวดนะคนที่ไม่มีขาเนี่ยเขาไม่ปวดเขา่าของขา ด, ด้วยไปถามเลยเคยปวดเข่าไหมว่าเข่าเขาไม่มีเนี่ยเขาโชคร้ายกับเราเรายังมีเข่าให้ปวดเราขอบคุณเข่าที่มันยังปวดอยู่เนี่ ย, ยผมเนี่ย ไม่เคยรู้สึกอะไรร่างกายควาภาพหมดเลยไม่เคยปวดเข่าเลยอย่างนี้ดีไหมโอ้ยฉันไม่ปวดเขา่าสบายมากเลยมีเข่าแต่ไม่ปวดเข่านี่มันรู้สึกมันไม่ใช่ธรรมดานะมันอาจจะเน่าจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะได้การปวดเขา่าเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าอ๋อเราใช้เขามากแล้วนะเราให้เขาพักเรารู้ว่าเราอาจจะเที่ยวมากไปหน่อยอาจจะเล่นมากไปหน่อยเราดูแลเขาใหม่นะ เขาบอกให้เราจะาเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตเรานั่งนานอย่างคุณพี่จีนั่งนานก็ปวดก็เมื่อยมันแปลกไหมมันธรรมดาโอ้ไม่ปวดไม่เมื่อยแตมันแปลกของแปลกต้องนานๆมีทีอันนี้มีบ่อยโอ้ธรรมดาเนี่ยปวดเขาเรื่องธรรมดาอย่าไปลังเกียจมันแล้วปวดเข่าเอยให้รู้ตัวเนี่ยมันปวดเขานะไม่ใช่ปวดที่ตัวเรานะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรา น, ะน่ะดูแลเปลี่ยนยาปวดไปนะ เ, เห็นเวทนาสัพเพเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตัวเราเขาเอาสติชวนปัญญามาตั้งรู้อยู่บนเวทนาที่เกิดขึ้นจากร่างกายปวดขาวแค่นี้เลยยังทนไม่ได้ต่อไปเราห้องไอซี ICU, นี่อาหารก็ต้องอดอะไรก็ต้องลําบากนี่จะทนได้ไหมแล้วเวทนาก่อนจะตายนี่มันรุนแรงนี่จะทนได้ไหมเนี่ยฝึกเอาไวา้การมาปฏิบัติการ ฝ, กฝึกเรียนรู้ที่จะปรับจิตปรับใจให้เข้าใจมันให้เข้าใจมัน ต้องเข้าใจก่อนมันจึงจะเข้าถึงจะได้เข้าถึงใจต้องเข้าใจมันด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปรังเกียจอย่าไปต่อต้านคนมีเขาก็ต้องปวดเขามีเขาใครไม่ปวดบ้างเนี่ยก็ต้องปวดเท่านั้นแต่เขาที่คนเป็นอมัมพาตเราก็เห็นมันมีหลายโรคที่เกิดขึ้นร่างกายเรารู้เท่าทันมันแล้วก็ยอมรับซะแล้วก็รักษากันไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะร่างกายมันป่วยมันไข้ กายป่วยใจไม่ทุกข์ก็ได้เนี่ยมันมันไม่ทุกข์อีกตอนที่ไม่ไปยึดติดว่าเป็นเราจริงๆถึงจะปล่อยวางมันไม่ได้ร้อเซก็ไม่เป็นไรแค่เข้าใจก่อนแค่เข้าใจนี่สักการยึดติดนี้มันก็จะเริ่มละแล้วนะเห็นว่าเป็นเราเนี่ยมันเริ่มมีความเห็นว่าเป็นเรามีความเห็นว่าเป็นเราแค่มีความเห็นแต่ยังละไม่ได้เห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่เราเห็นว่ามันไม่ใช่เราเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นว่า จังหวะจะเข้าขั้นอัตตาลิทธิคือไม่ยึดมั่นถึงมั่นว่ากายเนี่ยเป็นอัตตาของเราดูไหก็เห็นละเอ็นเวทนาอย่างกายโดยที่เราไม่ได้ทําตามตำราเราทําตามความที่มีสติรู้ตัวและเกิดปัญญาและไปรู้เห็นนั่เองรู้ตัวแล้วมันจะรู้เห็นไปสู่การรู้แจ้งได้แล้วก็ไม่ลาจิตเรื่องของจิตใจที่มันคิดมันนึกปรุงแต่งก็เหมือนกัน สติที่ตั้งมั่นที่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเห็นจะรู้เต่าทันจิตรู้เท่าทานัทาทานความคิดไอ้ความคิดเนี่ยมันเป็นตัวต้นเรื่องของปัญหาชีวิตเราซึ่งมันเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหลงเราเผลอเมื่อไหร่คิดเมื่อนั้นถ้าไม่เผลอเนี่ยไม่คิดละถ้าเผลอถ้าหลงจากสติเลยแล้วคิดทันทีเลยนะแล้วมันคิดอะไรมันคิดไม่เลิกนะมันคิดไม่อยู่เลยนะ แล้วชอบคิดตองก่อนนอนนี่นะกลัวจะนอนหลับเร็วเกินไปใช่ไหมนะจะได้คิดสนุกสนุกนิด่งแล้วก็บอดชั้นนอนไม่หลับก็ไปกอดบอดตรงนั้นเวลาไฟไหม้นิดเดียวไม่รีบดับก็ปล่อยให้มันลุกลามแถมช่วยมันคิดอ้อนมันไปนล่า ก, กองไฟก็สนุกกับการคิดไปเลยความคิดเนี่ยมันมือที่สนะนะามานะมันมือที่สามนะเข้าใจไหมลักสามเจ้าเนี่ยมันมือที่สามไอ้ตัวนี้ตัวทำให้ทำให้กายกับจิตนี่มีปัญหากัน มือหนึ่งก็คือกายหลักสองคือจิตแล้วก็มีความคิดเนี่ยเป็นตัวที่ยุให้กายกับจิตเนี่ยมันมันมันเป็นมีนปัญหาต่อกันมันไมยุติธรรมต่อกันเวลาจิตมันคิดมากร่างกายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหมเนี่ยจิตมันไปเบียดเบียนกายเพราะความคิดเนี่ยไปปรุงแต่งให้ร่างกายกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกหวยร่างกายก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอีกไม่กันใช่ไหมเพราะจิตนี่มันมันปรุงเป็นความคิดขึ้นมาแล้วร่างกายมันก็แย่นะ มันรับเละอะไรหมือย่างพอร่างกายป่วยเจ็บไข้เป็นเรื่องของกายนะเมื่อกี้เรื่องของจิตนี่เรื่องของกายนะแล้วจิตมันก็ไปทุกข์กับมันอีกใช่ไหมการไปเบียดเบียนจิตอีกโอมันไม่ยุติธรรมต่อ ก, กันเพรายความคิดเนี่ยเป็นตัวที่เป็นมือที่สแต่ก็ต้องใช้นะเราต้องใช้ความคิดใช้ความคิดเพื่อสื่อสาร<ๆ>เพื่อใช้อยู่ในโลกสมมุติ<ๆ>เพื่อวางแผน<ๆ>เพื่อแก้ปัญหามันต้องใช้ความคิด มันจะเป็นมือที่สาก็ใช้มันได้มันจต้องใช้การประกอบอาชีพคือเราต้องคบค้ามันเอาไว้ความคิดต้องคบค้าแต่อย่าไปสมาคมคบค้าเนี่แค่ใช้ประโยชน์มันถ้าสมาคมเนี่ยไปยึดมั่นถึงมันเหมือนเรื่อคบค้าแล้วไปสมาคมเนี่ยมันเดือดร้อนกับชีวิตเราจะเป็นทุกข์เลยเอาแค่คบค้าพอพอนอกจากการค้าเราเลิกกันอย่าไปสมาคมสมาคมอาจจะเสียมากกว่าเราจะเป็นทุกข์เมื่อเราไปคบค้าแล้วก็สมาคม ไม่ใช่มนุษย์เราเหมือนกันนะบางคนเราแค่คบค้าว่าเพราะมันเพื่ออารชีพของเราแต่ยังไม่สมาคมพวามคิดก็เหมือนกันเราต้องใช้มันแต่อย่าไปยึดมั่นถึงมั่นมันเวลามันเป็นทุกข์โอ้เรื่องความคิดนะมันไม่ได้เรื่องเราเนาะ <c oughs> มันเรื่องเขาไม่ได้เรื่องเราเนี่ยถ้ามีส ต, ติตื่นรู้มาปับ๊บมันจะไปทันที่ความคิดทันทีเลยสติเกิดกว่าคิดไม่เกิดก็อ๋อเห็นกายคือกายเห็นจิตคือจิต ไม่เบียดเบียนกันเพราะมันอยู่คนละอันกันกายกับจิตเป็นคนละสิ่งกันคนละสิ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันเป็นคนละอันกันโดยมีสติเป็นผู้ที่สอดส่องดูถ้าสติเป็นกลางมันก็ไม่คิดถ้าสติไม่กลางมันก็ลงแต่งเนี่ยเนี่ยสติไปตั้งรู้ในจิตโดยที่ไม่ปล่อยความคิดนี้มันมาย่ํำยีใจเป็นทุกมันก็จะเห็นความคิดมันกลายเป็นผู้ดูความคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้คิด ดูบ่อยๆมันก็จะเห็นความคิดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอยู่ไม่ได้หรอกความคิดเนี่ยมันควาคิดที่มันกลัวรู้ไหมกลัวสติกลัวปัญญาเวลาดูมันด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันเดือดร้อนมากมันเดือดร้อนมากมันจะหาทางหลบหน้าหลบตาอยู่เรื่อยมันมันกลัวสติกลัวปัญญาถ้ามีสติเต็มรอบปัญญารู้แจ้งแล้วก็มันอยู่ไม่ได้นั้นต้องฝึกสติเอาไว้ให้เป็นอัศวินของชีวิตของเราเลย จะเปสุิ น, นเป็นผู้นําทางชีวิตถ้ามีสตินำทางปัญญาจะตามมาเนี่ยเราก็จะรู้นะเมื่อจิตละเอียดจะรู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลความคิดแบบไหนเป็นอกุศลความคิดแบบไหนเป็นกุศลสติมันจะรู้ทันแล้วก็เลือกได้กุศลต้องทําคนที่เข้าใจธรรมะรู้ธรรมะแล้วเนี่ยจะมีแต่ค ว, วามเมตตาจะมีแต่ววาทาเรื่องกุศแลแั้วกนะันแม้แต่คิดก็คิดแต่เรื่องกุศลจะมองคนอื่นมากกว่ามองตัวเอง มองว่าจะช่วยเขาอย่างไรเรียกเมตตามันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องสะเพสะปะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอาจจะว่าด้วยปากก็ได้ต้องว่าด้วยใจนี่บางทีไม่ต้องใช้คําพูดเราทนดูไม่ได้เมื่อเขาต้องเป็นทุกข์มันต้องช่วยเขามันถึงขั้นที่ว่าคือภรรยานี่มีความต้องการอีกอย่างคือต้องการอยายคนทั้งโลกเนี่ยพ้นทุกให้หมดคือมีความต้องการแบบนั้นนะจึงมีเป็น เป็นอุปนิสัยของโพธิสัตว์เลยอหญ่พุ่งตรงเราจะรู้ว่าอะไรคือจิตที่เป็นกุศลอะไรคือจิตที่เป็นอกุศลทั้งความคิดที่เป็นกุศลอกุศลนั่นคือธรรมะตรงนั้นนะถ้ามีสติตั้งรู้เข้าไปเนี่ยโอ้จะเห็นธรรมในธรรมกุศลและอกุศลก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกุศลก็ดับใช่ไหมอกุศลก็ดับใช่ไหมก็สักตลอดสภาวธรรมที่เกิดดับตามกดไตรลักษณ์แล้วจิตจะอยู่ไหนจิตก็อยู่เหนือ เหนือกุศลอกุศลเหนือบาปเนื้อบุญเข้าถึงภาวะที่ลำดับทิศสารที่พระเจ้าสอนไว้สัจจิตตะปลายโยทัพนังท่านจิตให้ขาวรอบไม่เปื้อนไม่กระต้องอกุศลหรือกุศลที่เรายังมัดดิ้นมัดถึงมันอยู่มันอยุ่เหนือแล้วจิตมันพ้นไปได้แล้วมันจะเป็นศีลก็ศีลอริยการตศีลศีลของพระยเจ้าซึ่งไม่ต้องสมาทานมันเกิดขึ้นในใจเป็นศีลใจ ใจไม่มีความละอายชั่วกลัวบาปและชีวิตที่เหลืออยู่ก็ทําในเรื่องกุศลกุศลกุศลนั่นเองถ้าเรามีสติเป็นเครื่องนําทางชีวิตตอนนี้เราใช้อะไรนำทางชีวิตใช้สติหรือใช้ความคิดใช้ได้นะแต่ก็ให้มีสติรู้ทันความคิดการเจริญติเนี่ยเพ่อจิตมันตื่นตื่นมารู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวรู้ทันทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นจะได้ไม่เป็นทุกข์มามรู้ทันจิตที่มันคิด จะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันรู้ว่าจิตมันเกิด อ, อะไรขึ้นให้รู้เท่าทันมันก็จะมีความรู้สึกตัวที่มันเต็มรอบเป็นรู้ที่บริสุทธิ์เป็นรู้ที่บริสุทธิ์แล้วก็ใช้โลกสมมุติอย่างถูกต้องไม่เบียดเบียนกันเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันเคลื่อนําทารชีวิตไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้สมัยก่อนนี่เขามีอะไรเข็มขีดเป็นเครื่องนาทางชีวิต สมัยใหม่นี่มี GPS GPS นี่สายระบบดาวเทียมเป็นเครื่องนำทางชีวิตขับรถไป GPS มันก็เหนือกับเข็มทิศหน่อยที่ว่ามันรู้จุดหมายปลายทางรู้ระยะเวลารู้ระยะทางรู้ตำแหน่งรู้ระดับสูงตำ่ำรู้ไปทั้งอีกหนึ่งไรยเมตรจะข้ามลางรถไฟมันก็บอกเป็นสัญญาณโอ้มันวิเศษแต่ GPS นี่มันก็จะมีจุดอ่อน ถ้ามันลอดอุโมงเข้าที่มุงบงังมันก็ไม่รู้ได้เหมือนกันเพราะมันรู้ได้จากไหนไหมจากกิเลส ข, ของคนที่คิดเครื่องนี้ขึ้นมาเครื่องนี่มันเครื่องที่ในอิเล็กทรอนิกส์ไอทีชั้นสูงแต่คนใช้เนี่ยยังไม่มีปัญญายังระดับต่ำอยู่อาจจะใช้ไม่เป็นก็ได้เมื่อแต่มันก็สู้ปัญสติปัญญาไม่ได้มันรู้ทั้งในที่มุงบงังรู้ มารู้ระยะทางเนี่ยรู้รู้นะรู้หลายหลายอย่างสติปัญญาเนี่ยรู้มากกว่าในที่มืดก็รู้ได้เข้าถ้าก็รู้ได้ว่าจะไปถึงจุดไหนจุดไหนเมือ่อเมื่อไม่นานเนี่ยผมก็อาศัยรถเขาขับไปที่ต่างจังหวัดซึ่งเราไม่เคยไปเลยเราก็เรารู้แล้วระยะทางไปอย่างนี้นะคนข้างก็รู้แล้วเนี่ยมีเป็นที่กลางอะไรอย่างนี้นะจะไปถึงตรงนั้นในเวลาในประมาณประมา ณ, มาณแล้วคนเราคำวนวณแม่นก็ใกล้เคียง คนขัก็เอา GPS ตั้งปั้งเลยว่าอ๋อนี่อ้นี่เป็นเครื่องบอกบอกทางครับแล้วก็ถึงเวลามันก็บอกนะอีกร้อยเมตรจะเลี้ยวซ้ายถ้าเป็นไปนได้ถ้าหลงไปไม่ได้ก็กลับรถมาอยู่เตอร์โอ้มันวิเศษมากเลยนะนี่ก็ถึงในเมืองได้เวลาทานข้าวมาจะเทีย่ยงเลยนะชักคิวแลว้เราไปคนต่างจังหวัดเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีร้านอาหารตรงไหนและต้องอร่อย ด, นะอออด้วนะเรามีสวอไอ้ทีกันสวนนี้คือ วันนี้สวยทุกวันสุขทุกวันเลยก็ว่าไปไปด้วยกันสวันนี้ผมไม่ไม่จะมองว่าสูงอายุสูงไวัยนะวันนี้เขาสวยทุกวันมีความสุขทุกวันไปด้วยกันก็ต้องทาอาหารตรงเวลาเข้าไปถึงตลาดก็ยังงงนะจะไปร้านไหนดีร็สาย GPS ดูชื่อโอ้ร้านนี้โอเคมาแนําพาไปเลยนะเรากิน GPS e แนะนํามันต้องอร่อยแน่นะก็ตั้งใจจะกินเขาอร่อย ทั้งขับรถเลยไปด้วยกันเจ็ดนายคนไปจอดหน้าร้านเลยทุกคนไม่กล้าลงเลยร้านมันปิดโธ่ G P S มันไม่รู้ว่าร้านปิดเนาะโอ้แต่ถ้าเราลูกหน้าจะรู้ว่าอ๋อนี่ร้านนี้เขาปิดวันธรรมดาเสาร์ที่เขาขายนักท่องเที่ยววันธรรมดาเขาต้องปิดเออเราเราก็พวกเราก็รู้นะเพอมันบอกทีหลังว่าไมถึงว่ารู้ว่าร้านปิดโอวันนี้วันธรรมดาเขาต้องปิดเสาร์ที่เขาขายนักท่องเที่ยวเออนี่ไหม บางทีบางอย่าง G P S มันก็มันก็รู้ไม่จริงเหมือนกันมันประดิษฐ์จากกิเลสของคนน่าพระรหารคงไม่ประดิษฐ์ G P S แบบนี้หรอกเอา G P S กลับมาดูจิตดูทุกดูเห็นมทุกทิ่จิตให้ G P S หันมาจี้ตัวเองอย่าไปจี้ข้างนอกมันจี้เรื่องการดับทุกตัวเองนะ G P S ที่สร้างจากสมองของพระลหารก็ไม่ได้สร้างจากสมองอะสร้างจากจิตวิญญาณแต่ G P S ทุกวันเนี้ยสร้างด้วยสมอง คือมาจากความคิดใช่ไหมแต่พระริยเจ้าเนี่ยจากกิจวิญญาณที่บริสุทธิ์ไม่มีการเคลือบแฝงด้วยความโลภโกรธหลง <Yeah. S 1> นี่เพราะนั้นพวกเราอย่าได้เอาความคิดเนาสื่ อ, อื่นมาเป็นเครื่องนำชีวิตเลยเอาสติเนี่ยฝึกให้มากๆแล้วมันจะชวนปัญญามาพาชีวิตให้ไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้ yeah. Yeah. อย่างเช่นดีเขาบอกว่าอะไร จิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคนพายจะพาเรือชิดไปสู่ความชิดทุกได้ผมปฏิบัติอยู่ประมาณสักเดือนเดียวนี่ยนะคุณหมอพี่พาว่าเ ข, เ, เขียนเป็นเขียนเป็นในเอกสารนะจะได้กลุ่มปฏิบัติธรรมนี่เขาได้รู้ได้เห็นบ้างก็จะมีกําลังใจในการปฏิบตัติแม้คนมีการเขาปฏิบัติได้ ก็ออกเอกสารแจกจ่ายไปก็มีจดหมายตีกลับมาหนึ่งฉบับเนี่ยจากคุณอะไรทิพวรรณทิพยทัศน์ส่งจดหมายกลับมาส่งเทปเพลงมาด้วยโอ้เราก็ชอบฟังเพลงอยู่แล้วฟังเพลงก่อนองาจนจดหมายฟังเพลงแล้วอ่านจดหมายอ๋อมีเราเกี่ยวเป็นคุณแม่ชีอ๋อยู่ที่วัดเสาวเดียวเนาะก็สนใจเรื่องงานปฏิบัติธรรมและแนะนำเรื่องการฝึกสติ ด, ด้วยแล้วก็ บอกให้กำลังใจและทอย่างเนี่ยคุณคุณแม่เล็กนี่แหละเป็นสมัยฉบับแรกที่เราจักการประเดิบไปแล้วหนึ่งเดือนผลการปฏิบัติก็ยังไม่ได้มารู้ทำแต่แค่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติแล้วเห็นทิศทางของการปฏิบัติว่าเราเนี่ยมันไม่หลงที่แหลงถักตรงทางนละ้แล้วมีคนสอดหนุหนด้วยเนี่ยเราก็มีกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปให้มันถึงที่สุดจริงๆเนี่ยก็เลยเอาสิ่งนี้มาเอามาให้เนี่ยคิดให้กําลังใจ ที่จริงเนีเรื่องการพูดเนี่ยไม่อยากจะพูดมากก็พูดมาตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วการได้ดูได้เห็นเนี่ยทําให้เราเกิดพลังชีวิตมากกว่าการได้พูดคําพูดหนึ่งคำสู้ทําให้ดูคําพูดสักร้อยคาสู้ทําให้ดูสั้งหนึ่งครั้งไม่ได้มันทําให้เราเกิดความมั่นใจนี่ละไม่ได้สงสัยเลยเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์ไม่สงสัยวิธีการปฏิบัตินายหลวงพ่อเตียนไม่สงสยัย แล้วไม่สงสัยในศรัทธาด้วยถ้าเรามีศรัทธาตั้งมั่นเราก็เราก็จะมีความเพียรโดยอัตโนมัติไอ้ความเพียตัวเนี้ยจะนําพาเราไปสู่สติสมาธิปัญญาเนี่ยเรามารวมมารวมกลุ่มกันที่นี่นะเรามารวมกลุ่มเพื่อสร้างกุศล น, นะกลุ่มที่ไม่สร้างกุศลก็มีนะนี่กลุ่มสร้างกุศล น, นะเราจงภูมิใจเถิดทุกอย่างที่เนี่ยเนการเรียนรู้ทั้งนั้นแหละ เราเนี่ยเป็นครูซึ่งกันและกันเพราะพลังกลุ่มนี้มันช่วยได้เวลาเราท้อแท้เกียจปฏิบัติเราเจอเพื่อนเขาปฏิบัติแล้วเฮ้ยเราท้อไม่ได้แล้วเราต้องปฏิบัติเพื่อนเขาทำเพื่อนเป็นครูเราเราก็ปฏิบัติตามเพื่อนเวลาเราทำน า, าไปลราง่วงนอนนั่งหลับนั้ลายยืดมือค้างคอตกเพื่อนเขาง่วงเห็นเราก็เขาขำเขาก็ตื่นมาเออปฏิบัติได้มองเราเป็นคนขํำๆไป แล้วก็เป็นครูเขาได้ในฝ่ายที่ไม่ควรทําตามเธอจงทำเหมือนที่ครูสอนอย่าทำตามเหมือนที่ครูทําเป็นครูได้นะถ้าเรามองผิษเป็นครูนะครับพลังกลุ่มนี่มันช่วยกันนะเพราะนีนน่โอกาสดีแล้วสําคัญที่สุดก็คือการทําในรูปแบบขยันรู้ตัวให้มากๆากให้จิตมันตื่นเพราะจิตมันตื่นมันจะกลายเป็นผู้ดู พูดูเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรกับอะไรหรอกมันดูเฉยๆดูแล้วก็ผ่านดูแล้วก็ผ่านเราใช้ว่าชีวิตเรานี่มันง่ายขึ้นกว่าเดิมและดูบ่อยๆเนี่ยห้าวันเจ็ดวันเนี่ยการปฏิบัติจะง่ายขึ้นมันจะมีการคลายเกลียวน็อตมาแล้วจะขันด้วยพอต้อาจริงกับจังหน่อยมาสรละมันต้องหน้าดํำข้ามเค้งต้องเหมือนทั้งคนเอาจริงกับจังพอต่อไปมันชักเหนื่อยค่อยคลายธรรมะมันต้องมีการคลายคลายต่อเมื่อเราไม่หวังผล ถ้าหวังผลเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเอาจะเอาคลายทําแบบคนสิ้นหวังนั่นไม่จะทําสนุกคลายไปเรื่อยแล้วจะรู้ว่าจิตเราเนี่ยมันผ่อนคลายมันเบาลงแล้วขยันทําตรงนี้แล้วในชีวิตจําวันเนี่ยก็สังเกตดูจิตใจเราบ้างไม่ใช่ไปดูแต่การเคลื่อนไหวจนหลับหูเลิกตาเวลาจิตมันจิตมันเครียดมันรู้จิตมันบ้างว่าโอ้จิตมันเครียดนี่พราะเรามันตั้งใจมันเพ่งเกินไปนั่นดู สิ่งที่พอใจไม่พอใจในใจเนี่ยเป็นครูกรรมฐานทั้งนั้นนะกิเลสก็เป็นครูของเราอย่าได้ปฏิเสธยอมรับมันซะเราเก็บเข้ามาในใจนานเกินไปเราจะเอาเขาออ ก, ออกมันต้องอาศัยก็เรียกไม้นุม่มอ่อ น, ออนๆเข้าไว้เไมาา่เป็นไรธรรมดากิเลสเราก็ต้องมีกิเลสมั่งแต่กิเลสไม่ใช่เหลืองของเราเรื่องของกิเลสเหลืองเราคือรู้มันปฏิเสธเลยไม่ใช่เหลืองของเราเรื่องเราคือรู้ทันมันเหลื อ, องกิเลสก็เหลืองมัน โอม้มันแบ่งแยกกันในจิตใ จ, จเลยให้กิเลยกเออนี่เหลือของกิเลสไม่ใช่เหลือของเรานีทั้ทงพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นครูกรรมาฐานทนะั้งนั้นเกิดความพอใจก็เอมันพอใจก็ธรรมดาเนี่ยเรื่องธรรมดาคนเราก็ต้องพอใจแต่เรื่องข้าไม่ใช่ของเราเราก็รู้มันแล้วเกิดความไม่พอใจเออไม่พอใจเรื่องธรรมดาให้รู้มันอย่าไปยึดมันยึดไปไหนก็ตกนรกมันนั้นเราก็ต้องสอนใจเราด้วยเย้าแต่กรรมฐานลุยอย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนว่า ไม่ได้พูดสอนคือละไปเลยอะไรที่ไม่ใช่ทางก็ละไปเลยนะละไปเลยเนี่ยนะวันเนี้ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะเนี่ยผมมีคุณสีนาศพามาคุณสีนาศนี่ก็เป็นผู้ดูแลคุณสุทินี่ก็ผู้ช่วยผมเนี่ยก็รวมทุกนุ่งสุกด้วยกันแล้วก็มีคุณแม่คุณเอกคุณสีนาศแล้วก็มีสวมาโอมาให้กําลังใจพวกเราเห็นเรามีการเป็นแบบก็ไปด้วยไปด้วยนี่มาจากขอนแก่นนะ มาเพื่อจะมาดูการปฏิบัติที่เนี่ยให้เป็นตัวอย่างเนี่ยบอกแล้วมาทำไมเราเดินทางไกลเดี๋ยวพรุนี้ต้องกลับแล้วมาดูเขาปฏิบัติทำ ม, มาฟังทมโอ้เราไปเสด็จไม่ได้เนยเมาฟังทำ ม, มาเท่ากับมาให้กำลังใจพวกเราเนี่ยถ้าเรายังเกียดหรือท้อแท้บอกำลังใจมันก็จายดำเกินไปแล้วน้ <c oughs> งก็ตึง ห, หน่อยเนี่ยเอาเนอก่อ เขาจอยู่อากาศมันร้อนทุกข์ไม่กับความร้อนของอากาศเนี่ยมาเรื่องของใครเรื่องของมันไม่เรื่องเรารเราร้อนเออมร้อนก็เรื่องความร้อนไม่ใช่เรื่องเรามันค่อยๆหายตัวนัก็ร้อนไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้เราไม่ได้ไปทนกันมันตลอดชีวิตช่วยครูช่วยยานในช่วงการฝึกฝนจิตใจเราก็ร้อนก็ร้อนเดี๋ยวเราก็แก้ไขปัญหาเราไม่ร้อนตลอดชีวิตหรอกเราโชคดีที่เดินไปไหนมาไหนได้เวลาผมร้อนอยู่นครสวรรค์เนี่ยผมต้องนอนถอดเสื้อ แล้วก็มีกระมังข้างๆตัวมีผ้าชุบน้ําอยู่ใกล้ไม่ได้เช็ดตัวนะต้องรูปตัวเลยนะเอาน้ำเปียกๆน้ําบิดไม่ได้ต้องเปียกรูปตัวทุกสารสิบนาทีรูปไปให้ตัวเปียกตลอดเวลาเพราะร่างกายผมนี่ระบายเหงื่อไม่ได้เราร้อนมันก็ร้อนอยู่ข้างในระบายเหงื่อไม่ได้แล้วก็งุดนหิดมากเลยตัวมันเปียกไปอึ่งอ่างเนะเปียกจางเปียกที่นอนเปียกหมดเลยนะที่นอนต้องมีพลาสติกคลุมเอาไว้มันจะแฉะรูปตัวก็ไม่ชอบงุ่นหิดมากเลย แต่พอมาฝึกสตินี่โหได้เรื่องเลยโอการขยับไปจับผ้าเนี่ยมันรู้ตัวได้ดิการลูกตวมก็รู้ตัวเนี่ยไอความเย็นความร้อนไม่รู้หรอกร่างกายไม่รับรู้แต่มันสบายเออมันสบายทุกอย่างเป็นการปฏิบัติกรรมาฐานได้รอบเนื้อรอตัวกรรมาฐานเกิดขึ้นที่นี้ตัวก็สรุกในการเช็ดตัวเนี่ยโห เ, เ, นะเช็ดไปเลิกนะที่ไปแม่บเป็นไรลูกโอมันร้อนดีแม่มันร้อนดีเ <laughs> ช็ดตัวตั้งแต่บ่ายโมงตั้งแต่เที่ยง ตัวตั้ง5้ามงเย็นผมเช็ดตัวตอนที่นอนแฉ่หมดแล้วเนี่ยอยู่แล้วขอสวรรค์ซึ่งมันร้อนมากร้อนแต่ว่าผมมีธรรมะเป็นน้ำเนี่ยก็คือสติแทนที่เราจะไปสนใจมุงอยู่ความมุงอยู่ความร้อนเรามารู้สึกตัวนะเนี่ยเรามาเพิ่มพลังของสติสิเออร้อนเท่าไหร่เราก็รู้เท่านั้นมันร้อนมากก็รู้มากมันไม่ร้อนเอ๊ะมันชักไม่ดีนะจะรู้ตรงไหนเนาะเานที่ไม่ร้อนจะเริ่มต้นทางกรรมฐานตรงไหนเออเพราะมันไม่ร้อนเนี่ยมันหาเหตุไม่ได้ ร้อนโอ้ร้อนมาแล้วครูกรรมาฐานมาแล้วครูมาแล้วคราวร้อนมาแล้วเจตโตสนุกเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเขาหน่อยผู้ผู้ช่วยผู้ดูแลก็มีโอแอมีรถก็เย็นสบายมันก็ค่อยสะดวกกับสภาพร่างกายที่มันมันมันอยู่มานานไม่ใช่แก่อยู่มานานแล้วพิการมาต้องสามปีแล้ว ตอนนี้ก็มีโรคภยัยกรเจ็บรบๆมีโรคตับประเสบตับแข็งอีกขั้นเดียวเราก็จะตามหลวงพ่อเทียนได้ทันแล้วมะเร็งตับเนี่ยตัวนี้ก็เตรียมตัวอยู่ว่าเราจะอยู่แบบไม่ทุกข์กับมะเร็งมะเร็งเป็นเรื่องของตับไม่ใช่เรื่องของเราเราก็จะลาออกจากมันซะไอตัวนี้แหละร่างกายก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วี่แต่ว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราควรจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ทําแบบที่เม่นเนก็บอกว่าทําให้ พมก็ทําให้แต่ไม่ได้ทําเอาทําให้ทหําไมการได้ทําเป็นการปฏิบททัติธรรมการจะเอาไป็นเรืองกิเลสการยกมือรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการปฏิบททัติธรรมการต้องการผลเป็นเรืองการปฏิบัติกิเลส น, นะนั้นทําเหตุซะถึงแต่เมื่อมันถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรหรอกจิตสุดท้ายก่อนจะตายมันก็ช่วยเราได้นู่นละไปจิตสุดท้ายเนี่ยบรรลุธรรมได้นู่นไปทิ้งไม่ไกลเลยเราต้องเจอหน้าจิตสุดท้าย วันนี้ขอสะสมความรู้ตัวรู้ตัวไปก่อนเนี่ยที่จริงคุณเมืเ่อแรกก็บอกว่ า, วาให้ผมอยู่ที่นี่ตลอดนะแต่ก็ขอไปเถอะไอ้ความจํากัดในชีวิตมีมากจะ ก, กินจะนอนก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนีไม่เหมือนคนอื่นเขาขับทายก็ไม่ค่อยสะดวกถ้ามีคนคอยช่วยเหลือผมไปคนเดียวต้องมีบวกอีกสองคนมันจะเปลืองสนทนาเขาเปล่าอยู่คนเดียวก็ยังพอไหวนะนอนี่ยพระคุณเจ้านี่ ย่ามอันเดียวก็ไปได้แล้วมันนกที่ขยับปีกก็บินได้อย่างเรานี่มันขยับไม่ได้ขยับปีกก็ต้องมีคนประคองปีกเนี่ยมันจึงต้องขอไปเถอะอยากจะอยู่อยจะอยู่ให้กําลังใจทุกๆวันเลยแต่ก็ได้ท่านอาจารย์โกสิลก็โอเคแล้วมาเห็นท่านเราก็โอ้ยิ้มล้มีกําลังใจแล้วก็รับถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็ดีกว่าที่ผมมนอยู่ที่มีแต่ภาละแต่ก็อยากจะมาหนะ้าเดี๋ยววันที่ 28เขาใช้ผมมาอีกไหมต้องบอกก่อนนะออ ม, ามาก็จะตั้งใจจะมาจะมีการพูดที่ไม่เหมือนนี่แรอกจะมีการตอกย้ำให้เราต่อยอดของปัญญาให้เข้าใจชีวิตมากกันนี้นะ